4. โอกะกันตะสังยุตหนึ่งจักขุสูตรว่าด้วยจักขุส0 2องเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจักขุตาไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นโซตะหูไม่เที่ยงมีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่นคานะจมูกไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นชิวหาลิ้นไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นมโนใจไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นทมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าศรัทธานุสารีก้าวลงสู่อริยมรรคอย่างลงสู่ภูมิของสัตตบรุษผ่านภูมิของปุตชชนได้แล้วไม่ควรทำกรรมที่ทำแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือภูมิแห่งเปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งโสดาปฏิพันธ์ภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้ของผู้ใดประจักษ์ชัดโดยยิ่งด้วยปัญญาอย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีย่่าลงสู่อริยมรรอย่างลงสู่ภูมิของสัตตบรุษผ่านภูมิของปุตุชนได้แล้วไม่ควรทํากรรมที่ทําแล้วไปเกิดในนรก กำเนิดสัตติรชานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปฏิพันภิกษุทั้งหลายผู้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าจากคูสูที่หนึ่งจบ 2. รูปสูตรว่าด้วยรูป 3. 0 3ร้อยสามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นสัต t h เสียงไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นคันทะกลิ่นไม่เที่ยง มีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นรถไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นโพธทัพพาสิ่งที่ถูกต้องกายไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นธรรมรมไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดศรัท ธ, ธาเชื่อมั่นทำเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าสัท ธ, ธานุสารีก้าวลงสู่อริยมรรอย่างลงสู่ภูมิของสัตบุรุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้วไม่ควรทำกรรมที่ทำแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดสัตดิรชานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปฏิพัน ภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้ของผู้ใดประจักษ์ชัดโดยยิ่งด้วยปัญญาอย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีก่่าลงสู่อริยมรอย่างลงสู่ภูมิของสัตตบรุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้วไม่ควรทำกรรมที่ทำแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดสัตดิรชานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่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 3. วิญญาณสูตรว่าด้วยวิญญาณ 304. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจักขุวิญญาณความรู้อารมณ์ทางตาไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นโซตาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางหู คานาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางจมูกชิวหาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางลิ้นกายาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางกายมโนวิญญาณความรู้อารมณ์ทางใจไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลายผู้ใดปรับเท่าที่ยังไม่ทําให้แจ้งโสดาปฏิพน ภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้ของผู้ใดตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปฏิพลภิกษุทั้งหลายผู้ใดจกสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าวิญญาณสูตรที่สามจบ 4. สัมผัสสูตรว่าด้วยสัมผัส สามหเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจากขู่สัมผัสความกระทบทางตาไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นโสตสัมผัสความกระทบทางหูคานาสัมผัสความกระทบทางจมูกชิวหาสัมผัส ความกระทบทางลิ้นกายสัมผัสความกระทบทางกายมโนสัมผัสความกระทบทางใจไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลายผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นทาเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าศรัทธานุสารีจะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า สัมผัสสูตรที่สจบ 5. าสัมผัสสชาสูตรว่าด้วยสัมผัสสชาเวทนา 306. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจากขู่สัมผัสสชาเวทนา เวทนาเกิดจากสัมผัสทางตาไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นโสตสัมผัสสัชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางหูคานสัมผัสสัชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูกชิวหาสัมผัสสัชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางลิ้น กายสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางกายมนโนสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลายผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นทำเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าศรัทธานุสารี จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าสัมผัสชาสูตรที่หจบ 6. รูปสัญญาสูตรว่าด้วยรูปสัญญา 307. เเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย รูปสัญญาความหมายรู้รูปไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นสัจสัญญาความหมายรู้เสียงคันธสัญญาความหมายรู้กลิ่นรสสัญญาความหมายรู้รสผดทัพสัญญาความหมายรู้ผดภทภพัพธรรมสัญญา ความหมายรูธธรร ม, มารมไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลายผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นทมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าสัทธานุสารีจะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้ารูปสัญญาสูตรที่หกจบ รูปสัญญาเจตนาสูตรว่าด้วยรูปสัญญาเจตนา308เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปสัญญาเจตนาความจำานงรูปไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นสัทธสัญญาเจตนา ความจำงเสียงคันทสญญ า, น า, า, นนาสัญญาเจตนาความจำงกลิ่นรสสสัญญาเจตนาความจำงรสโพธพัะสัญญาเจตนาความจำงโพัพัะธรรมะสัญญาเจตนาความจำงธรรมารมไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นทำเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าศรัทธานุสารีจะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้ารูปัสัญญาเจตนาสูตรที่เจ็ดจบ 8. รูปัสัญหาสูตรว่าด้วยรูปตัญหาเรื่องเกิดที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปตัณหาความทยานอยากในรูปไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นสัทธตันหาคันทัตันหากระสตันหาโพธพพตันหาธรรมะตันหาไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่น ภิกษุทั้งหลายผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นทาเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าศรัทธานุสารีจะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้ารูปรตัญหาสูตรที่8จบ9ก้าปัทวีธาตุสูตรว่าด้วยปัทวีธาต 310สเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปัตวีธาตุธาตุดินไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายโยธาตุธาตุลมอากาศธาตุธาตุอากาศวิญญาณธาตุ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 พันทสูตรว่าด้วยขัน311เเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นเวทนาไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นสัญญาสังขารไม่เที่ยงมีความแปรผัน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 ไม่ควรทำกรรมที่ทำแล้วไปเกิดในนรกกําเนิดสัตดิรฉานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปฏิพลภิกษุทั้งหลายทํามเหล่านี้ของผู้ใดประจักษ์ชัดโดยยิ่งด้วยปัญญาอย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีก้าาลงสู่อริยมรรค อย่างลงสู่ภูมิของสัตตบุรุษผ่านภูมิของปุตุชนได้แล้วไม่ควรทํากรรมที่ทําแล้วไปเกิดในนรกกาเนิดสัตว์ติระชานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทําให้แจ้งโสดาปฏิผลภิกษุทั้งหลายผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าอริยาสาวกผู้เป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกตามีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าคันธสูตรที่สิบจบโอกะกันตัดสังยุตจบรวมพระสูตรที่มีในสังยุต์นี้คือ 1. จักขุสูตร 2. รูปสูตร 3. วิญญาณสูตร 4. สัมผัสสูตร 5. สัมผัสชาสูตร 6. รูปสัญญาสูตรเจ็ดรูปสัญญาเจตนาสูตรแปดรูปตัญหาสูต ร, รเก้าปตวีธาตุสูตรสิบขันธสูตร